รักษาธาตุขันหลวงตาข้าพเจ้าตัดสินใจเข้ามาอยู่วัดก็เนื่องจากความรักความศรัทธาที่มีต่อองคหลวงตาอยากจะมีส่วนช่วยดูแลให้ท่านมีธาตุขันแข็งแรงและมีอายุยืนนานเพื่อให้ท่านได้สอนคนอื่นให้รู้สัจธรรมเหมือนที่เราได้รู้ข้าพเจ้าก็เลยสมัครมาเป็นแม่ครัวทั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่แต่งงานก็เพราะกลัวการเป็นแม่ครัวแต่พอศรัทธาหลวงพ่อปับ๊บสมัครเป็นแม่ครัวเลย เริ่มจะไปเรียนรู้จากแม่ครัวบ้านอาจารย์แดงจากแม่อาจารย์แดงด้วยข้าพเจ้ามาสำนึกว่าเพราะสิ่งที่หลวงตาท่านสอนเราเราถึงได้รู้จักชีวิตและธรรมะถ้าเราไม่พบท่านเราจะโง่ขนาดไหนแต่ก่อนถึงมีเงินก็ใช้กินเที่ยวและแต่งตัวบุญทานก็ทำน้อยแต่ว่าก่อนจะลาออกจากงานข้าพเจ้าเรียนหลวงตาว่าขอให้มีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองก่อนจึงจะมีเวลามาถวายการรับใช้ท่าน เราท่านไม่ตอบปฏิเสธคือเราเคารพท่านเราต้องไม่ดาวสุม่มต้องเรียนท่านก่อนถ้าท่านไม่ปฏิเสธแปลว่าเราทำอย่างนั้นได้แต่เดิมก็มีครัวลูกสาวบุญธรรมหลงตาอยู่ฝั่งโน้นคือครัวคุณพรสวรรค์และเธอก็หมุนออกไปตามวิถีกรรมออกไปแต่งงานแล้วก็มีครัวอื่นๆในนี้ก็แล้วแต่ใครศรัทธาจะทาแต่ข้าพเจ้ามีคนรู้จักเยอะ ถ้าพระเจ้ามาอยู่ที่นี่มีความสุขใจมันสงบมันเย็นอารมณ์ที่เคยน้อยใจเสียใจมันนิ่งไปหมดแล้วความอยากมันก็นิ่งมีแค่ไหนก็พอแค่นั้นเราอยู่ของเราแค่นี้ทํางานไปภาวนาไปทําบุญไปใครดูว่าเราโง่เป็นแม่ครัวก็ช่างเขาข้าพเจ้าคิดว่าถ้ามีบุญวาสนาก็จะอยู่จะทําไปจนตายเพราะไม่ต้องการอะไรแล้วมันพอแล้วทําครัวถวายท่านไปทุกวันทุกวัน เงินบำนาญออกก็ทำบุญถวายท่านก่อนที่ข้าพเจ้ามาอยู่วัดคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่มาไม่ได้บาปก็ต้องมาบ้างกลับบ้างเป็นคนไม่ทิ้งพ่อแม่การจะช่วยกัน ร, รักษ า, าธาตุขันท่านนี้ก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวยังมีการทำบุญบูชาเพื่อถวายเป็นการรักษ า, าธาตุขันท่านไว้อีกด้วย เริ่มจากเดิมก่อนที่ท่านจะมีโครงการพระป่าช่วยชาติท่านท้องเสียมากเลยท้องเสียจนท่านโรยเลยตอนนั้นข้าพเจ้ามีเงินอยู่ในบัญชีแสนกว่ า, ก, วาก็มา น, นึกว่าเราจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ทำไมเรารักบูชาท่านนี่เราควรต้องเอาเงินนี้ทำบุญก็เอาออกมา8ปเก้าหมื่นเอามาทำต้นพระป่าถวายเลยงานอะไรก็จำไม่ได้แล้วแต่ทำตรงศาลานี่แหละแล้วกราบเรียนท่านว่า ถวายบุญทั้งหมดนี้รักษาธาตุขันท่านหลังจากนั้นท่านก็ดีขึ้นการทําบุญบูชารักษาธาตุขันท่านก็เริ่มจากพระป่าต้นนั้นพอท่านโรยไปทีพวกเราก็หาทางทําบุญบูชาทีอย่างกรถิ่นปีที่แล้วเครื่องกรถิ่นรวมเป็นเงินล้านกว่าบาทก็บูชารักษาธาตุขันท่านข้าพเจ้าไปนั่งไหว้พระอธิษฐานว่าช่วยโยมหน่อยเถิด ขอให้หลวงตาท่านอยู่แข็งแรงเป็นเสาหลักโยมจะหาเครื่องกรถิ่นมาแบบโมโหรานเพื่อเอาบุญนี้รักษาธาตุขันท่านแล้วเรื่องบุญกรถินนี่ท่านก็บอกให้ถวายในหลวงถวายสมเด็จพระสังฆราชและถวายสมเด็จพระพี่นางด้วยพวกเราช่วยกันรักษาสุขภาพธาตุขันท่านได้ด้วยการดูแลเรื่องอาหารและสร้างบุญทานถวายให้ท่าน